ปีใหม่เขมีความหมายสําหรับเราผู้ต้องการความสุขความจเจริญว่าได้ประพฤติตัวของตนมาไม่ดีอย่างไรก็ยพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้ให้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนเก่าที่เคยประพฤติตัวไม่ดีให้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาที่พูดประพฤติตัวดีในปีปีใหม่นี้นี่ความหมายของปีใหม่ปีเก่าก็มีอย่างนี้ หลักความอยู่เย็ยนเป็นสุขของมนุษย์เราก็คือหลักธรรมใครมีหลักธรรมใครมีธรรมเป็นหลักใจคุณนั่นก็มีหลักความประพฤติมีหลักเป็นที่อยู่ที่ไป ที่ประกอบหน้าที่การงานตลอดความประพฤตในด้านต่างๆถ้ามีหลักธรรมเป็นหลักใจความประพฤติก็ไม่เหลวไหลหน้าที่การงานก็ดีมีเหตุผลเป็นเครื่องรับรองหรือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่างานนี้เป็นงานที่ให้เกิดประโยชน์จากตนและส่วนรวมไม่ใช่งานที่หายายปวงทั้งตนและผู้อื่นผู้มีธรรมย่อมคำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความผิดถูกดีดวยอยู่เสมอ <c oughs> คนไม่คำหนึงถึงความพิดถูกดีชั่วประพฤติตามันเปิใจซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานหาความสงบไม่ได้นั้นจากเป็นพูดเหลวแหลกแหวกแนวตลอดไปจนกระทั่งวันตายเขาแก้ตัวไม่ได้เพราะไม่สนใจจะแก้ตัวเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้เป็นหลักใจของชาวพุทธเราในประเทศไทยเราอย่างน้อย80เอร์ซนถือศาสนาพุทธ แต่เวลาถามถึงพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นยังไงไม่รู้ถ้าถามถึงเรื่องสถาน ท, าที่ที่จะกรอบความทิพยหายปลายพวงนล้มเหลวไปโดยลํา ด, ดับนั้นรู้กันทั้งนั้ำ น, นั่นดังนี้ <c oughs> มันศาสนาพุทธอะไรก็ไม่รู้สถานที่ใดเป็นสถานที่จะทําบุคคนให้เสียวัดถูกสิ่งใดที่จะทําคนให้เสียสิ่งเหล่านั้นรู้กัน และชอบทากันเสมอซึ่งเป็นการขัดแย้งต่อธรรมเป็นการทำลายธรรมและทำลายตนภาในตัวมีความไม่มีธรรมจึงหาที่หวังไม่ได้ปีใหม่ขึ้นมาก็เป็นคนเก่านั้นแล้วผ่านไปเป็นปีใหม่อีกก็เป็นคนเก่านั้นไม่สนใจที่จะแก้ตนเองให้ไปในทางที่ถูกที่ดีก็หาความหวังไม่ได้คนเราทั้งๆ ท, ที่เกิดมาเต็มไปด้วยความหวังมื่ยกัน เราไม่ใช่ว่าไม่หวังทุกวันนี้หวังด้วยกันทุกคนไม่ว่าเข้าแก่ชราลเพศใดวัยใดมีความหวังด้วยกันหวังความสุขความเจริญและฝังในสิ่งที่ตนพึงหวังแต่ทําไมมันถึงพล า, าดไปพลาดไปเพราะเพราะเจตที่จะทําให้สมหวังมันไม่มีภายในความประบพูดของตัวเองสิ่งที่พึงหวังอันเป็นสิ่งดีงามอันเป็นความสุขมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเสียเพราะเหตุแห่งการกระทำนั้นเป็นความทุกข์ โดเหตุ น, นี้การประพฤติการรักษาตัวจึงมีสิ่งสำคัญยิ่งกว่ารักษาสิ่งอื่นใดในโลกนี้สมบัติเงินทองเข้าของเราหามาได้เราจัดจ่ายไปได้เป็นผลเป็ประโยชน์ถ้าเจ้าของมีความฉลาดาาเสียงอย่างเดียวแต่การรักษาเจ้าของให้มีความฉลาดถนัดตัวเองและเกี่ยวข้องกับสมบัติเงินทองบริษัทบริวารนี้เป็นสิ่งสำคัญ ม, มากเพราะฉะนั้นการรักษาตนจึงควรที่จะ ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการรักษาสิ่งอื่นใดการรักสงวนสิ่งอื่นใดไม่เหมือนรักตนสงวนตนคนเราทาไมรักตนแค่อย่างเดียวอะไรก็เหลวไหลไปหมดไม่ว่าจะมีเงินทองเป็นจํานวนกี่หมื่นกี่ล้านบาทก็ตามถูกไม่ได้มีคุณค่าอะไรสำหรับคนคนนั้นนอกจากสิ่งสมบัติทั้งหลายแล้วจะกลายมาเป็นปืนเป็นไฟเผารนคนนั้นที่หาเหตุผลไม่ได้ให้ชิพย์หาไปพวงไปทั้งทั้ ง, ท, งที่ว่าตนมีเงินนั่นแหละ เพราะไม่มีทามเป็นเครื่องเคลือบแฝงทามเป็นเหมือนกระเบรกรถมีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่งพวงมาลายัยต้องการจะขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมุนพวงมาลายัยต้องการจะเร่งน่าจะฐานที่ควรเร่งก็เหยียบคันเร่งลงไปต้องการจะรอหรือจะหยุดเราก็เหยียบเบรกลงไปนรถให้ความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่รู้จักการขับรถได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยด้วย ตัวของเราเองก็มีคนขับรถก็คือใจคนที่ขับรถภายนอกเขาก็ต้องเรียนวิชาขับรถมาซะก่อนเรียนจนสอบได้การสอบไม่ได้สอบแบบทุกวันนี่นะทุกวันนี้เอาเงินไปยื่นให้แล้วตกตากินเลยไปเลยเพราะฉะนั้นคนขับขี่รถโดยมากคือมีแต่คนตาบอดขับไม่มีทางเอดทางโทรขับบึงไปเรื่อยไปชนกันแหลกแตกกระจายชิบหายก็คือคนนั่นแหละ ไม่ใช่อะไรชิบหายรถชิบหายก็คือรถของคนก็ขึ้นมาขึ้นอยู่กับคนเป็นผู้ชิบหายนี่เพราะเหตุไรเพราะบัคขับขี่ตาบอดไม่สนใจกับกฎจราจรกฎจรา จ, จรคือคือกฎแห่งความปลอดภัยถ้าใครได้สนใจและปฏิบัติตามกฎของจราจรแล้วความปลอดภัยมีมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยเปอร์็นแต่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น อว่าเจงยิ่งกว่าคนยิ่งกว่ากฎจราจรแล้วก็โดนเอาโดนเอาโดนเอา น, อานี่นี่เราเทียบถึงเรื่องการขับขี่ยวดยานพา ห, หนะภายนอกเพื่อความปลอดภยัยต้องขับขี่ตามกฎจราจรและผู้ที่จะขับรถก็ ต, ต้องได้ศึกษามาด้วยดีในการขับรถเราขับตัวเราไปในสถานที่ปลอดภัยไร้ทุกเราก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนกันอันใดที่ควรไม่ควร อนไหนที่ควรให้มีความขยันหมั่นเพียรเกียบเหมอนเก้าเยียบคันเร่งด้วยความผุตสาพยายามไม่ขี้เกียจขีคล้านอ่อนแอมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบดังพระพุทธเจ้าสอนไม้ว่าอุตทาและสามปา่าธาอย่าขี้เกียจเพราะท้องปากมันไม่ได้ขี้เกียจนะฟังดิท้องปากถึงเวลามันหิวมันหิวถึงเวล า, ว ง, วลาง่วงมันง่วงอยากหลับอยากนอน หิวก็หายเป็นไปได้ทุกอย่างทั้งหนาทั้งร้อนเต็มอยู่ในร่างกายนี้ทั้งนั้นต้องหามาเยียยารักษาสิ่งเหนนี้มันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนคนความหิวถึงเวลาเราหิวมันก็หิวโรคจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ตัวคนลรกายทั้งหมดนี้เป็นเดือนแห่งโรคมันจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดก็ได้ถ้ามียามารักษาก็ต้องตายยามาจากไหนถ้าไมนมาจากความยิ่งเ้นขุนขวายความยิ่งเจนขุนขวายจะเป็นไปด้วยความขี้เกียจที่ข้านทันกับตัวเองได้อย่างไง ธาตุขันทังเราเต็มไปด้วยโรคด้วยภยัยด้วยความกังวลวุ่นวายที่ต้องดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาเราที่เกียจกี่ค้านมันก็ไม่ทันกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรักษาตัวเองให้แข็งแกลาดปลอดภัยจนกระทั่งถึงอายุไขก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและขับขี่ตนในทางที่ถูกที่ดีทางจิตใจก็มีความถุกความสบายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลักธรรมเป็นหลักใจ กายวาจาก็เคลื่อนไหมายไปตามธรรมที่ได้อบรมมาเรียบร้อยแล้วเดียบเหมือนกับว่าคนขับขี่รถซึ่งได้เรียนหลักวิชามาด้ยดยวยดีแล้วก็ปลอดภัยนี่เราก็เรียนหลักวิชาจากธรรมะธรรมวจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมให้ความปลอดภัยทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วปลอดภัยเราตั้งใจเพื่อปฏิบัติตามนั้นหมุนกายวาจาของเราให้เป็นไปตามใจใจหมุนให้เป็นไปตามธรรมคือความถูกต้องดีงาม คนคนนั้นก็มีความสุขความเจริญนี่หลักการขับตัวเองการบังคับตัวเองขับขี่ตัวเองเหมือนกับเขาขับรถคนขับรถล่ามือดีก็คือผู้ที่ขับไม่ผิดไม่พลาดผู้รู้จักผ่อนผันท่านยาวควรเร่งก็เร่งควรรอก็รอควรหยุดก็หยุดควรเลี้ยวควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปตามเผลที่ควรเลี้ยวถึงเราจะแยกกทางไหนหน้าที่การงานทางไหนเห็นว่าเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วก็ แยกไปเหมือนกบหมุนพวงมะลยัยเพราะฉะนั้นการงานจึงมีในโลกมากมายตามแต่ความถนัดของผู้ใดความขยันหมั่นเพียรเป็นสิน่งสำคัญมากมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบเนี่ยเวลาได้มาแล้วให้เจ็บหอมรอมรีบยาสู้รู้สู้ได้ใช้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวเป็นของไม่ดีซาตถบัตเสียไปยังไม่เท่าใจที่เสียไปอีกใจที่เสียไปแล้วแก้ได้ยาก สมบัติเงินทองเสียไปมากน้อยไม่เป็นไรถ้ามีเหตุผลในการจับจ่ายจับจ่ายสิ่งนั้นไปเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นจับจ่ายเงินไปจํานวนเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นและเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาตามเหตุผลที่คาดเอาไว้แล้วก็ไม่ผิดเพราะเงินมีไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเงินไปแลกเปลี่ยนสิ่งใดมาสิ่งนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ใช่แลกเปลี่ยนมาแล้วมาทําลายตนเองเช่นหนึ่งไปซื้อยาเสพติดมากิน ซือเรล้าอะไรซื้อเร า, รเราพวกซื้อยาอะไรเนี่ยมากินอันนี้กินแล้วก็มืนเมาอย่างไปแล้วยังทําตัวบุคคลให้เสียอีกเงินก็เสียไปใจก็เสียบุคคลนั้นก็เสียอันนี้เรียกว่าสิ่งทําลายเราไม่ทําถ้าผู้มีทําแล้วไม่ทําผู้มีทําทําได้วันยังทําทําได้จนวันตายมันผิดกันไหมมนุษย์เรานมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่ใจที่รับการอบรมทางที่ถูกที่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมันต่างกันตรงนี้มนุษย์เรา ผู้ ด, ด้รับการอบรมย่อมจะรู้ในสิ่งที่ควรไม่ควรผู้ไปไรับการอบรมหรือคนดื้อด้านไอยสิจจ่งเดียวเท่านั้นมันก็ไม่มีครูมียอาจารย์ไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งนั้นถ้าเป็นโรคก็ไม่ฟังเสียงยาไม่ฟังเสียงหมอคอยแต่จะบึ่งเข้าห้องไอซอย่างเดียวนะคนประเภทนี้ก็พระพุทธเจ้าถนัประทัระมะไม่มีทางอบรมสั่งสอนได้ท่านตัดสะพานเสียท่านว่า ตาสะพานคือไม่แนะนำสั่งสอนต่อไปเหมือนมนุษย์มนาเทวดาอินผมทั้งหลายปล่อยตามสภาพเหมือนกับคนไข้ที่มันไม่มีทางรอดแล้วก็เข้าห้องไอซียูนี่เราเป็นอย่างนั้นนี่เป็นปีใหม่เราจะรับปีใหม่จะรับด้วยวิธีการใดรับด้วยการประพฤติตัวแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีงามตัดแต่งใหม่แก้ไขใหม่ ให้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในคนคนเก่านั่นแหละแต่ก่อนเคยชั่วให้ดีเคยดีแล้วก็ให้ดีเยี่ยมขึ้นไปนี่แหละเป็นพรของพวกเราทั้งหลายให้พยายามกันปฏิบัติอย่างนี้แล้วคำว่าทรเป็นหลักใจคืออะไรหลักของธรรมมันแท้ จ, จริงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่ละแกนแห่งธรรมลาก—เง่าข้อมูลแห่งธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสตราเอกสอนโลกโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูทั้งนั้นทําไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกบมนุษย์เราเหตุใดท่านจึงได้เป็นครูของโลกทั้งสามได้เราเพียงเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้เรื่องว่าไงสอนให้ไปอย่างนี้มันถลเอะถลายไปอย่างนั้นเสียสอนให้ไปอย่างนั้นมันถลเอถลายไปอย่างนี้เสียเหรือจะยกตัวอย่างเหนือ ยกตัวอย่างคนทะเลทรายเอาฝ่ายผู้เอาฝ่ายผู้ชายก่อนนะถ้ า, าฝ่ายผู้หญิงก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลวงตะบัวนี่เข้ากับผู้ชายมากไปเละเหยียบย่ำผู้หญิงเพราะงั้นหลวงตะบัวจึงไม่เหยียบย่ำใครผู้วงกองเอ้านี้พ่อไอ้หนูเอาเงินนี้ไปจ่ายตลาด ห, หน่อยวันนี้ยุ่งงานมากไม่ไม่ได้ไปแล้วเอาเงินยื่นใส่มือพ่อไอ้หนูพ่อไอ้หนูไปก็ไปเห็นไอ่ที่เขาเล่นการพา น, านัแล้วก็ใส่การพานานเสร็จเสร็จแล้วเข้าบ้านมาได้ถูกวัวเมียใจแท้งเอาว่าไง นั่นมันเถลไถไลเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปไปเล่นเฮโรเฮเลอะไรกับเขานั่นแหะให้ไปซื้อของตลาดแต่ไม่ไปฟาดเอานุนเสียใช่ไหมลราเข้าบ้านมาได้กลัวแม่หนูตีขา ว, ว่าไงไม่ว่าแต่แม่หนูเราพ่ออหนูก็ฟาดเหมือนกันถ้าแม่หนูทํางั่นนะมันเข้าใจไหมนี่คือความเถลไถไลไม่โกงตามเหตุตามผลอันเป็นความถูกต้องมีงามที่จะทําความร่มเย็นให้จากครอบครัวกลับไปทําความเดือดร้อนจากครอบครัวเพราะเงินนั่นแหละ เนี่ยที่ ด, ดูเงินจํานวนนั้นเอาไปซื้อสิ่งของมาทำอาหารตามบริโภคในครอบครัวก็สบายไปมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ที่เราไปทํางนั้นเสียเกิดความดือดร้อนไปหมดนั่นถึงขนาดพ่อไหนูเข้าบ้านไม่ได้แม่หนูก็เดือดร้อนถึงจะได้ตีแค้นพ่อพ่อไหนูก็ตามก็ยังไม่พ้นความเดือดร้อนเพราะเงินจํานวนที่เสียหายในทางที่ไม่ดีนั่นเหมือนกันนี่ย นี่แหะคือทางไม่ดีให้พยายามแก้ไขนี่ให้รู้กันเสียย่อยยกตัวอย่างอย่างนี้เงินมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะจ่ายประ่รสะตาง่าจ่ายด้วยความลืมตัวให้จ่ายด้วยความมีเหตุผลเสีาายได้เท่าไรก็ต้องจ่ายเมื่อเหตุผลมันควรที่จะจ่ายไปแล้วพทอดแลกเปลี่ยนเอาสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นเราไม่มีเรามีสิ่งนี้แต่เราต้องการสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเรานําสิ่ง อันนี้เปลี่ยนออกมาซื้อมาซื้อมาได้เ mm hmm. นี่ยที่ที่ว่ามีเหตุมีผลจ่ายมากจ่ายน้อย ก, ก็ไม่เป็นไรถ้าจ่ายโดยเหตุด้วยผลให้จ่ายด้วยคํานึงเสมออย่าจ่ายด้วยความลืมเมื่อลืมตัวจ่ายจนเป็นนิสัย mm hmm. จ่ายจนไม่รู้ไม่รู้จักคําว่าเสียดายเงนิน mm hmm. เขาเรียกว่าบ้าจ่ายออกจากบ้าจ่ายแล้วก็ใจรั่วลงได้ใจรั่วแล้วเจ็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะรั่วเนี่ยเราไปตักน้ำมือสิ เราอย่าว่าเพียงน้ำในบึงในบ่อเหล่านี้เลยไปตักน้ำมาหาส ม, มุดก็ไม่อยู่ไม่ขังเอาตะกร้าไปตักน้ำดูสิมันไหลออกหมดอันนี้ก็เหมือนกันคนใจรั่วละยาวเงิ น, นมาให้เพียงแสนแสนเลยมาสักกี่สิบล้านน้อยล้านกระเถอะไม่มีเหลือเลยคิดหายหมดเพราะใจรั่วเก็บไม่อยู่เราอย่าประพฤติตัวให้เป็นคนใจรั่วอะไรเมากว้าหมด เงินแทนที่จะมีไว้ได้ใช้ได้สองวันสามวันวันเดียวขณะเดียวไม่พอใช้ด้วยซ้ําไปเพราะความจะรั่วมันสังหารแหลกไปหมดนี่ของไม่ดีนี่แหละคนถ้าเลยเขตของธรรมและเป็นอย่างนี้ธรรมท่านบอกว่าอารักษสัมปทาให้มีความเจ็บหอมรอรมลยบพัญญาสิ่งไหนที่ควรจะจับจ่ายก็ให้จับจ่ายโดยทางเหตุผลเก็บไว้เพราะอะไรก็ให้มีเหตุผลที่เก็บไว้เก็บไว้เพราะความจําเป็น ในการข้างหน้ามว่าตัวของเราดูครอบครัวหากว่าเปิดเป็นมีเป็นขึ้นมาอย่างไรแล้วจะได้เอาเงินจํานวนที่เก็บไว้นี้เพื่อรักษาตัวเนี่ยจ่ายไปเวลาดีจ่ายด้วยความจำเป็นเหตุนี้เหตุนี้นี้ก็รู้แหว่งนั้นนี่ท่านบอกว่าไม่หเหลือเฟือไม่ใช่เป็นผู้มั่วลืมเนื้อ ล, ม ล, ม ล, มลุมตัวไม่ให้เก็บไว้จนกระทั่งตั้งตะกรอนเงินเรามันเป็นเงินตราเหรียญตราจนเข้าสนิมเขาเรียกเป็นกาบปรีเพราะว่า ดำเป็นสนิมไปเลยเจ็บไว้ไม่มีจ่ายสักทีเลยตายแล้วยังมาเป็นเป็ดเป็นผีเฝ้าถุงเงินเงู่นนอีกแหละนั่นอัน น, อนนั้นมันเกินเหตุเพราะว่าตันนี้ีเหนียวตายไปแล้วยังมาหวงอีกนั่นก็เกินประมาณไม่ถูกตรมของขยักทั้งนั้นเพราะการเจ็บก็ดีการจัดจ่ายได้สอยอะไรก็ดีให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามคุ้มครองรักษ า, ษาเสมอนี่แหละคือการประพฤติตัว การมีหลักใจไม่คยคนใจรั่วคนเรามีหลักใจต้องมีหลักทรัพย์เมื่อมีหลักทรัพย์แล้วก็ชุ่มเยินนี่สมาชิชีวิตาเลี้ยงชีพก็ให้รู้จักเวลาบเวลาวันหนึ่งทานวันละเท่าไหร่วันละสามมือหรือสี่มือแต่ดูทุกวันนี้มันไม่ใช่สามมือสี่มือนะมันร้อยมือเออร้อยครั้งเดินไปนี่จิ๊บเดินไปนั่น จ, จับัอันนั้นหวานอันนี้ขาว เลอยอันนั้นผ ล, ลไม้ลูกนั้นจะดีลูกนั้นมาจากเมืองนอกนั้นลูกนี้มาจากเมืองนอกนะว่าเป็นบ้าเมืองนอกกันไปหมดเข้าใจไหมเฮอเมืองนอกกันเมืองในปูกเพื่อตัวเองเพื่อเป็นเนือ้อเป็นหนังตัวเองไม่สนใจจีนั่นก็ตามถ้ามาจากเมืองนอกแล้วโหยนู่นอยู่ในคันมันยังม่ลืมตาก็จะโดดขามาจากคันโยมแม่หรอนะอว่าไง ท้องแม่หนังแม่จะแตกก็ตามขอให้ได้เห็นของมาจากเมืองนอกเถอะออใครบอกอ้ออพี่ึกสิวาพากันตั้งเนื้อตังต้งตัวบ้านเมืองของเราเป็นบ้านของไทยบ้านของไทยให้ต่างคนต่างรักต่งหวนต่างรักษาเนื้อหนังของตนยาให้เหลือตั้งแต่โครงกระดูก ให้กาฝากมากัดมาชิงมาชักินไปหมดกาฝากมีอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นไม้ต้นนั้นต้องชิบหายวายพวงไม่นานเลยเยิ่งต้นไหนมีกาฝากมากๆต้นไม้ต้นนั้นเราชี้นิ้วได้เลยว่าไม่กี่ปีตายแน่แหรือไม่กี่เดือนตายเพราะกาฝากมันเกิดมันเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเป็นดอกเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นผลของมันเองแต่มันดูดซึมเอาอาหารจากต้นไม้ต้นนั้น ต้นไม้ตัวนั้นไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่ถูกเขาดูดซึมไปก็ตายอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นทําไมจึงไม่รักไม่สงวนเนื้อหนังของตนเองเฮ้ตั้งแต่เมืองนอกเป็นบ้าเป็นบดอะไรสักของมาจากเมืองนอกไม่ได้ลืมตาก็ตามเพราะเขาบอกมาจากเมืองนอกตาบอดมันก็กว้าเอาหรือว่าไงมันเป็นบ้าขนาดนั้นนี่ละความเผออย่างนี้ไม่มีเนือ้อมีหนังติดตัวต่อไปจะเหลือตั้แต่ร่างนะ อย่าว่าไม่บอกหลวงตะบัวพูดให้อย่างชัดๆหลวงตะบัวก็อยู่ในเมืองไทยและเรียนทำไม่เรียนโลกเรียนอะไรทำกับโลกกระตือรือถึงการอยู่ตลอดเวลาทําไมจะไม่รู้เรื่องความผิดความถูกของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันละ่ะต้องให้พากันพิจารณาเรื่องแบบนี้ให้รักให้สงวนอย่าฟุ้งเฟอ้อเห่มิมอย่าดื่มเนื้อดื่มตัวของของตัวมีอะไรสันตุษียินดีตามมีตามได้ของที่เกิดเองทําเองนั่นเป็นของดีเอาทำลงไป ถ้าเป็นควาเราควายอยู่ในข้อของเราเกิดมาตัวใขดขายได้ราคาเท่าไหรไม่ต้องหักต้นทุนมีเป็นกําไรล้นลวนถ้าไปซื้อมาสมมติว่าซื้ร้อยบาทขายร้อยห้าสิบาทแบบนี้ก็ต้องหักออกเสียร้อยบาทที่เป็นต้นทุนได้กําไรห้าสิบาทนี่มันต้องได้หักเสมอถ้าหากว่าเป็นควาย ท, ที่เกิดในค้อของเราทางภาษาภาษาเขาเรียกว่าควายลูกข้อขายเท่าไรได้เงินเท่านั้นไม่ต้องหักค่า ต้นทุนที่ซื้อมาเท่าไรเท่าไรเพราะไม่ได้ซื้อนี่ของเราที่พยายามผิดขึ้นมาในมากน้อยเท่าไรก็เป็นของเราคนไทยเป็นคนอันเดียวกันเป็นเนื้อหนังอันเดียวกันชีวิตจิตใจขากเป็นขากตายด้วยกันไปไม่ว่าอยู่ภาคใดคือคนสมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งนั้นมีพ่อมีแม่พ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนไม่ว่าอยู่ภาคใดเป็นคนด้วยกันหัวใจมนุษย์ด้วยกัน มีความรักสงวนซึ่งกันอาการมีความสามัคคีซึ่งกันอาการก็เป็นเนื้อเป็นหนังของตนขึ้นมาผู้ที่ผิดผู้ที่ทำเมื่อเห็นมีรายได้ขึ้นบ้างมันก็มีใจใจคนเราทำอะไรลงไปไม่มีใครสนับสนุนก็เกงจะว่าไงมันจะมีอะไรเหลือเจ๊งไปทั้งนั้นแหละถ้ามีสนับสนุนแล้วมันก็มีกำลังใจคนเราอย่างนี้การส่งเสริมเนื้อหนังของตนเองต้องส่งเสมอย่างนั้นอย่าลืมเนื้อลืมตัว ซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วลืมมากทีเดียวแม้แต่ของทําในเมืองไทยก็ต้องเอากราเมืองนอกมาตีทังซิตีกราทําในนูนอังกแล์อังเล น, อ, ล น, อ, ลนอิงบ้ามันที่ไหนก็ไม่รู้แหละตีไม่งั้นมันไม่ซื้อมันเหอกันเหอหาอะไรเหมือนจะหอเหินเดินผ้าทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่ไม่มีปีกไม่ละอายเมืองนอกเขาบ้างเหรอเราไปที่ไหนเราเลยยินนี่วันนี้มีเวลาที่จะพูดมันมาทั้งผัดเราต้องพูด เขาบอกว่าเมืองไทยเขาไปแทรกเมืองไหนเขารู้ทันทีการแต่งเนื้อแต่งตัวหรูหรามที่สุดเลยเขาว่างนี้แล้วการที่ติดหนี้ติดสินเมืองนอกพลุ่มพลังก็คือเมืองเมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งเขาว่าอย่างนี้ให้เรามันอยากจะมุดดินลงไปนั่นแหละจะว่างไงมันได้ยินถ้าก็มีหูมีตาเหมือนกันกับคารวาสทาไมจะไม่ได้ยินนี่ใจเหมือนกันทําไมจะไม่คีดเราต้องคีดเราพละอายเพราะเราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะคิดด้วยกันนี่ธมาชาชีวิตาเลี้ยงชีพพอประมาณการจัดจ่ายใช้สอยอย่าให้พุ่มเฟือยจนเกินเนื้อเกินตัวเสื้อผ้ากางเกงเครื่องนุ่งห่มใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกับตนนั้นแหละเป็นคนที่งามงามลึกซึ้งงามโดยหลักธรรมชาติไม่ได้งามด้วยความเครือบความแฝงความแต่งเนื้อแต่งตัวจนเลยเหตุเลยเหตุเลยผลดูแล้วดูไม่ได้มันจะกลายเป็นลิงแต่งตัวไป เขาใจไม่ดิงแต่งตัวคนแต่งตัวก็ไม่เป็นไรไม่ตื่นไม่สะดุดใจนะักพอลิ้งแต่งตัวที่ดูโอ้ตัวของมันเองมันก็มันไม่ใช่เล่นมนะ้าลิงนะเมื่อพอเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วมันมองดูมันอย่างนี้โอ้โหอะไรใส่หมวกแก๊ปอะไรแล้วลเหมือนหมือนเจ้าเหานี่แหละลิงเนะี่ยอันนี้เราก็เหมือนกันพอแต่งตัวมากๆูหลาแล้วก็เหมือนเจ้าเหาะเหมนเดินฟ้า นั่นคนลืมเนื้อลืมตัวไม่ดูเจ้าของบ้างเลยดูตั้งแต่ข้างนอกอยากให้คนอื่นเ้ามองเราอยากให้คนอื่นเ้ามองเราเป็นจุดที่เด่นมันเด่นด้วยความฟุง่งเฟ้อเหวมเด่นด้วยเขาหัวเราเยอะก็ไม่รู้เราไม่ได้มองดูหลายแง่มองดูหัวใจคนคนก็มีหัวใจเราไม่ได้ไปเอาหัวใจเขามาไว้ในกํามือเรากรรมไม่หม ด, ดนะหัวใจของคนมีสิทธิที่จะคิดได้เราต้องคิดทั้งหัวใจคนด้วยหัวใจเราด้วยหัวใจเพื่อนฝูง ท, ทั่วไปทั้งเมืองนอกเมืองนาเมืองไทย ดูให้มันตลอดทั่วถึงเทียบจัดเทียบส่วนได้พอ ป, ประมาณแล้วเราก็ดำเนินการทำมาหาแรงที่เครื่องใช้ไม่สอดที่ดีทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความความเหมาะสมสมชื่อว่าเราเป็นเมืองคุทธให้รู้จักว่าสานตุถีตามมีตามได้ไม่ฟุ้งเฟอเหินจนเกินเมื่อนเกิ น, ก น, นออตัวนะฮะกัญญาณมิตรตาตาให้พยายามพบเพื่อนที่ดีงามคาว่าเพื่อนนั้นมีทั้งภายนอกภายใน เพื่อนภายนอกเขาคือเพี่อนอ่ะเพื่อนไอ้ตาประเม็ดคนชั่วกิริยาแสดงออกมาทางกายก็ชั่วพูดออกมาทางวาจาก็ชั่วเพราะใจมันชั่วคนประเภทนั้นให้พายายามหลบหลีกตีกตัวอยา่าเข้าใกล้มันเสียตัวเองนั่นพานภายนอกยังพอหลบหีกไอ้พานภายในคือหัวใจของเราเองนี่เป็นยังไงวันหนึ่งมันคิดได้กี่แง่กี่ทางที่จะทั้งสังหารตัวเองให้เกิดความเสียหายพุ่นวายไปหมดนั่นน่ะ มันมีกี่แง่กี่กระทงหัวใจเราให้ดูตัวนี้ตัวผ่านนี่คิดข้อไหนขึ้นมาอันใดขึ้นมาไม่ดีให้พยายามแก้ไขจุดนี้ให้ดีเมื่อแก้ไขจุดนี้แล้วต่อไปก็จะมีแต่เหตุแต่ผลออระบายออกมาทางกายทางวาราเพราะออกมาจากทางใจที่รับการอบรมและฝึกผลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เป็นคนดีนี่แหละบันดีคือผู้ฉล า, าดในทางทำพอพื้นต น, ใ, นให้เป็นความร่มเย็นแก่น ต, ตนและผู้ท่านอยากเป็นักราชเนี่ย บัณฑิตเราพยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีของเราซึ่งเป็นพานนั่นอ่ะออกเสียให้กลายเป็นนักปราดบัณฑิตขึ้นมาภายในตนอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นโศกนี่ละนะพรปีใหม่ที่ท่านทั้งหลายในวันนี้ขอให้นำประพิณิพิจรารณาในเบื้องต้นกรจะพูดถึงเรื่องธรรมของคาราวะที่จะเปลี่ยนสภาพจากความเป็นปีเก่ากลายไปเป็นปีใหม่ให้เป็นคนดีขึ้นมาตามปีใหม่ ก็คือว่าอุทาสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่ากขี้เกียจขี้ค้า น, นข้อสองอารักษสัมปทาสมบัติมีมากน้อยให้พยายามเก็บหอมรอมริบอย่าใช้แบบชู้รุดูชุล่ลยใช้อะไรก็ดีก็ให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องค้ำประกันผู้นั้นจะมีหลักทรัพย์เพราะมีหลักใจข้อสามก็ สมา ส, ส, สชีพิตาการเลี้ยงที่พอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ผลด้มเพลินเกินเกินไปทั้งๆที่ของมีอยู่มากและคนในครอบครัวมีจํานวนมากจะทําเพียงนิดเดียวผืดเพลินเกินไปของมีอยู่ทําให้พอเหมาะพอสมการยานมิตรตาให้คบเพื่อนอันดีงามอยากคบพวกปาประมิตรในสอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องในทีนี้พิ่จะงานด้วยกันทั้งนั้น ในวาสารแห่งการแสดงธรรมนี้ขออำนวยวรพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ก, กายสบายใจแลว้วพืชตนให้เป็นสัมมาบุคคลโดยทั่วถึงกันอะละแค่นี้เอวังนี่จะให้พรน่าตินะที่าวาริมหาปูราเปรูเรติสาครัง เอวเมวอิโตทินนางเตตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหางสิปเมวะสมิจฉาตุสัพเทปูเรนตุสังกะปาจานโทปนาระโหยาธามิโชติรัสโยยถาสัพพิตโยวิวาชานตุซาพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนาศีดิจนิจังมุทภาะจายโนจัตตาโรธรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุศับ พ, พมังขลงังอะราขันตุสัพ พ, พเววะเทวตา สับพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภาวันตุเต <c oughs>